จเจริมพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจเบิงใจกุศลทุ ก, ท, กทุกท่านวันนี้เป็นวันสุดที่12พฤศภาคมพุทธศักราช2560เป็นวันหยุดราชการเป็นวันเพื่อชะมงคงทางญาติโยมใน ไม่ต้องไปทำงานทำการจึงได้มาวัดกันเพื่อมาทำความเป็นมงคลให้กับชีวิตของพวกเราซึ่งต่างกับพิธีของเพื่อชะมงคลเพื่อชะมงคลนี้ททำพิธีเพื่อความมงคลแก่การพ่อปูกข้าวพ่อปลู ผลลหมากลากไม้ที่เราจะได้นำมามาใช้เป็นอาหารเป็นความมนคลแก่ร่างกายเพราะร่างกายของพวกเรายังเป็นที่จะต้องมีข้าวมีอาหารไววรับประทานเราถึงจะอยู่กันได้ทางพระเจ้าอยู่หัวยังเห็นความสำคัญในเรื่องของการทาพิธี เพื่อชมองคล น, นี้เพื่อความเป็นเสิยลิมงคลแก่ชาวนาชาวไร่และชาวไทยทั้งปวงให้อยู่ดีกินดีมีความร่มเย็นเป็นสุขกันแต่พิธีพืริชมงคล น, นี้ไม่ได้เป็นพิธีทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนให้สร้างความมงคล อีกแบบหนึ่งพืชที่พวกเราควรที่จะมาปลูกมาสร้างกันเรียกว่าพืชเพื่อการหลุดพ้นจาก่องทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพืชที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานอันนี้เป็นพืชที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพืชเรามาปลูกกัน เพราะว่าเมื่อเราปลูกแล้วต่อไปนักผลนิพานก็จะปรากฏขึ้นมาทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปตามลำดับของการปฏิบัติของพวกเรานี่คือเพื่อที่เราควรที่จะมาเพาะมาปลูกกันเพื่อทำให้เกิดมากเกิดผล มรรคผลก็มีอยู่สระดับด้วยกันมรรคผลระดับที่หนึ่งเรียกว่าโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลระดับที่สองเรียกว่าสกิดาคามีมรรคสกิดาคามีผลระดับที่สเรียกว่าอนาคามีมรรคอนาคามีผลระดับที่สเรียกว่าอรหัตตมรรคอรหัตตผล ผลเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงมีภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิดน้อยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปจนไปถึงที่ที่ไม่ต้องจะมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็คือพระนิพพานที่พระอริยสงสาวโก ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ประทับกันอยู่ในขณะนี้เป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันถ้าเรามาปลูกพืชของมักคผลผนิพพานตามที่พุทธเจ้าทรงได้ทรงสั่ง ส, สอนเพราะเมื่อเราได้มักผลแล้วภพชาติของเราก็จะน้อยลงไปเช่นถ้าได้ขั้นที่หนึ่งได้ขั้นพระโสดาบัน ภพชาติที่จะต้องกลับมาเกิดในการมาพบมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าได้ขั้นที่สองขั้นพระสกิดาคาเมพบชาติในการมาพบก็จะเหลือเพียงชาติเดียวแล้วถ้าได้ขั้นที่สาคือขั้นพระอนาคาเมพบชาติในการมาพบก็หมดไป ผ้านาคามเม่น่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลับมาเป็นเทวดาแต่จะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นรูปภพหรืออารูณภพคือแล้วก็จะบรรลุเป็นผ้าอรหันต์ตามลำดับต่อไปถ้าได้เป็นผ้าอรหันต์ก็จะได้ไปที่พระนิพพานไปที่ที่ไม่มีการเกิดแก่ เจ็บตายอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาทุกนี้เกิดจากการมาเกิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทุกย่อมมีแต่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็จะต้องมีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพลาจากบุคคลจากสิ่งที่เรารักเราชอบความทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งและบุคคลที่เราไม่รักไม่ชอบกันอันนี้เป็นผลตามมาจากการมาเกิดกันพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบวิธีที่จะยุติการมาเกิดเมื่อทรง คนพบวิธีแล้วและสามารถกำจัดการมาเกิดได้แล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาวิธีนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สารโลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้วิธีที่จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายกันวิธีที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญและทรงกำจัดการเกิดแก่เจ็บตายก็คือการทำทาน การรักษาศีลการภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญทำเหล่านี้ขั้นทานก็ทรงสละราชสมบัติมีทรัพย์สมบัติข้าวของมากน้อยเพียงไรทรงสละราชสมบัติเพื่อออกมาบำเพ็ญศีลและภาวนานี่คือ พอได้สละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชออกบวชมาถือศีลของนัก บ, บวชคือศีลแปดขึ้นไปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่มีกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์ไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่หา ดูหาฟังพวกมอะหะลหอศบันเทิงการลาาเล่นล้องลำํำทำเพลงต่างๆไม่เสริมความงามด้วยเสื้อผ้าอาพรวิจิตพิสดาลไม่เสริมหน้าเสริมตาแต่งหน้าทาปากทำเผาทำผมใช้น้ำมันใช้น้ำหอมต่างๆและไม่นอนบนเตียงใหญ่เตียงที่มีฟูกหนาๆ าะจะนอนมากเกินไปจะทำให้ไม่มีเวลามาบำเพ็ญส ม, มะถะและวิปัสสนาภาวนาที่จะมาหยุดการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าหลังจากออกบวชก็ไปอยู่แบบนักบวชแล้วก็ใช้เวลาจเจริญสมาธิคือส ม, มะถะภาวนาขั้นต้นทำใจให้สงบด้วยการจเจริญสติ อย่างต่อเนื่องสิ่งที่จะมาทำให้ใจเกิดสติเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานมีอยู่40ชนิดเราสามารถเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งมาควบคุมมาหยุดความคิดต่างๆมาทำให้ใจสงบถ้าเราใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็เรียกว่าเรากำลังเจริญพุทธานุสติ ถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่ากำลังเจริญอาณาปณะสติถ้าเราสามารถเจริญพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบตามลำดับและสงบได้ในที่สุดอย่างเต็มที่เมื่อใจสงบแล้วความ สุขใจก็จะปรากฏขึ้นมาความโลภความอยากต่างๆที่ทำให้ใจมาเกิดก็จะระงับไปแต่การระงับของความโลภความโกรธนี้เป็นการระงับชั่วคราวเพราะหลังจากที่ออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ความโลภความอยากต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาอีก ถ้าอยากจะกาจัดความโลภความอยากให้หมดไปอย่างถาวรก็ต้องปฏิบัติทำขั้นต่อไป mm hmm. ก็คือการเจริญวิปัสนาภาวนาวิปัสนาแปลว่าความรู้จริงเห็นจริงในความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายนี้เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์หมดทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะเป็นของชั่วคราวทุกข์เพราะว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกข์เพราะว่ามีการเกิดก็ต้องมีการดับแล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่ได้เป็นสมบัติของใครทั้งนั้นไม่มีใครสามารถครอบครองสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ และเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ตายไปแล้วสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของโลกนี้เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของโลกนี้โลกนี้คืออะไรก็คือโลกกะธาตุโลกกะธาตุมีธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ เป็นสิ่งที่ทำให้มีสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าอาคารเครื่องใช้ไม้สอยรถ ล, ลาอะไรต่างๆนี้ล้วนทำมาจากธาตุทั้งสี่ดีทั้งนั้นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานร่างกายของมนุษย์ก็ทำมาจากธาตุทั้งสี่นี้คือดินน้ำาวลไฟแล้วพอ ถ้าทั้งสี่นี้สลายตัวไปแยกออกจากกันมนุษย์และสัตว์ก็หายไปร่างกายของมนุษย์ของพวกเราต่อไปก็จะกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเพราะทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวก็จะจ้องแยกกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟที่ทำให้เราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าเรามีความผูกพัน มีความยึดติดในร่างกายในสิ่งของต่างๆที่เราไม่อยู่เพราะด้วยความหลงที่ไปคิดว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราเราจึงมีความรักมีความหวง ม, มีความผูกพันพอเราจะต้องพัดพากจากสิ่งเหล่านี้<ม>ก็จะทำให้เราทุกทรมานใจกัน<ม>พระพุทธเจ้าสงค้นพบวิธี คนทรงคนพบความจริงว่าเราสามารถที่จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เราไม่อยู่ได้ถ้าเรามองให้เห็นความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นของเราและเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเขามีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อ, อย่างร่างกายของเรานี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยทีละนิดทีละหน่อย เกิดมาก็จเจริญเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ก็ิ่มเข้าสู่ความชราเข้าสู่ความแก่แล้วเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปแต่สิ่งที่ตายคือร่างกายนี้พระพุทธเจ้ า, าบอกว่าไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้มาครอบครองร่างกายนี้เป็นผู้มาใช้ร่างกายนี้ ทำอะไรต่างๆเราคือใจผู้รู้ผู้คิดใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่ใจหลงไปคิดว่าใจเป็นร่างกายก็เลยเกิดความรักความหวงในร่างกายและพอที่ต้องสูญเสียร่างกายก็ไม่อยากให้เสียอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆ ความอยากที่ไม่ให้ร่างกายตายนี่ที่ทำให้ใจของพวกเราทุกข์กันแต่ถ้าเรารู้ความจริงว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเหมือนคนรอบใช้เราเมื่อถึงเวลาเขาก็จะต้องขอลาออกจากงานลาออกจากการรอบใช้เราเราก็ปล่อยให้เขาไปเท่านั้นอย่าไปดึงเขาไว้อย่าไปอยากให้เขา จากเราไม่จากเราไปเพราะเราก็ห <¿ib blades? S 1> ้ามเขาไม่ได้อยากอย่างไรให้เขาอยู่กับเราอยากให้เขาไม่จากเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้นะร่างกายของเรานี่พอถึงเวลามันก็ห้ามเขาไม่ได้ถึงเวลาเขาก็ต้องขอจากเราไปถ้าเรารู้ว่าไม่ได้เป็นตัวเราของเรารู้ว่ามันจะต้องจากเราไปเราก็ปล่อยวางพอปล่อยวาง เราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเราถ้าเขาอยากจะไปก็ปล่อยให้เขาไปความทุกข์นี้เกิดจากความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายของเราไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ตอนนี้ที่เราทุกข์กันเพราะเราอยากให้เขาอยู่กับเราอยากให้เขาดีอยากให้เขาเจริญ พอเขาไม่ดีพอเขาเสื่อมเราก็วุ่นวายใจทุกข์ใจกันร้องห่มร้องไห้กันแต่ถ้าเรามีวิปัสสนามีความรู้จริงเห็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็ปล่อยวางพอเราปล่อยวางคือหยุดความอยากในสิ่งต่างๆได้ ความทุกข์ในใจก็จะไม่มีอีกต่อไปและการกลับมาเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปเพราะเหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดก็คือความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยากได้ร่างกายพอร่างกายนี้ไปร่างกายนี้ตายไปพอเราต้องทิ้งสิ่งต่างๆไปความอยากมันก็จะเดึงใจให้กลับมามีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ มาหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหาสิ่งต่างๆหาบุคคลต่างๆใหม่แล้วก็มาทุกขกับการสูญเสียกับการพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆจากร่างกายของเรามันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์อย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าเราจะมีวิปัสสนาญาณคือเห็นความจริง ของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเป็นทุกข์เพราะเราไปอยากให้เขาเป็นของเราเป็นทุกข์เพราะเราไปอยากให้เขาเที่ยงอยากยังไงก็ไม่สามารถทําให้เขาเที่ยงได้อยากยังไรก็ไม่สามารถทําให้เขาเป็นของเราได้เพราะเขาเป็นของดินน้ําลมไฟเขาจะต้องกลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟเสมอพวกเรา ชาต น, นี้โชบดีได้มาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคำสอนเจอพระอริยสงสาวกที่รู้ความจริงอันนี้แล้วนำเอาความจริงอันนี้มาบอกพวกเรามาสอนพวกเราให้พวกเรามองให้เห็นความจริงอันนี้ถ้าเราเห็นตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกได้เห็นได้ทรงเห็นแล้ว เราก็จะปล่อยวางเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอริยสงสาวกเราก็จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้หยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายแบบไม่มีวันจบสิ้นได้นี่คือการเพาะปลูกพืชที่พุทธเจ้าทรงสอนให้มาเพาะปลูกกันให้มาเพาะปลูกพืชแห่งการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพื่อให้เราได้มรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิดาคามีมรรคสกิดาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลและนิพพานอันนี้จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญและทรงสอนให้พวกเรามาบาเพ็ญกัน คือให้เราทำทานสละทรพัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกันไปรักษาศิงแปลไปเจริญสมถภาวนานั่งสมาธิให้ใจสงบหลังจากออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญวิปัสสนาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นรายลักษณ์เป็นอนิจจทุกขังอนัตตาแล้วรับรองได้ว่าจิตของเรา จะได้รับพืชของมรรคผลนิพพานที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของวันหยุดในวันพืนชมมงคล น, นี้ให้ท่านได้นำเอาพืชที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ท่านท่านหลายมาบาเพ็ญมาเพาะปลูกกันคือพืชแห่งการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แก่ทานศีลภาวนาให้ท่านได้นำเอาไปปฏิบัต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 ด้วยอายุมาน้ำสุขภะภะโดยทั่วหน้ากันเธอ